การสวดมนต์ไหว้พระนี่มีในสงฆ์มหาศาลถ้าบ้านใดสวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอเทพีเจ้าจะสิงสถิตเหมือนอย่างวัดอภูวันขคเจ ร, ริญพรเทวดาต้นพิกุลมาชวนแม่ชีสวดมนต์หนึ่งปีสวดได้หมดโดยแม่ชีอ่านเงินซื้อไม่ออกเลยสวดมหาเมตตาใหญ่แม่ชีได้หมดเลยทั้งผู้ตระกธรรมคุญทั้งคุณพัม ก, กาได้หมดนี่ ไดเตอร์นในทานฟังว่าการเจริญพุทธมนต์ทําให้เทพเทวดาอารักขาทุกแหลงล่าบ้านนั้นจะเป็นฉลิบมงคลถ้าสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยไม่จําเป็นต้องศาสนาพุาธศาสนาไหนก็ควรสวดมนต์ไหว้พระทั้งนั้นแต่พระของเขาต่างคนต่างนับถือพระเอาเกิดเป็นอิสลามก็สวดมนต์ไหว้พระสวดตามแบบของเขาส่วนคริสก็สวดมนต์ไหว้พระพระของเขาแต่ส่วนพุทธ แล้วก็ส่วนมูล